อลยังแม่ชีญาติธรรมทุกท่านและขอต้อนรับกลุ่มศิลปะภาวนาและการเยียวยาใจก็ถือว่าเป็นคอร์ดแรกที่ในชีวิตอาตมาที่รับไว้ส่วนมากจะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็ถือเป็นการแรกขออาตมาโดวยเพราะอาตมาไม่ได้เทศมานาแล้วที่หอไต่เนี่ยปีนี้ถือเป็นไฟแรกที่โยมไ ด, ได้มาได้ฟังก็ฟังทางมาตามสบายนะที่นี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยสูญเสียอาจจะสูญเสียพ่อแม่ พี่น้องคนรักหรือลูกประคนก็เสียด้วยอุบัติเหตุต่ตางๆโครคภัยไข้เจ็บเป็ดเบีนยนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยหรือเรียกไม่พ้นคนเราขนาดที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมีสิ่ง5อย่างเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดชีวิตเราได้เลยเรากำหนดไม่ได้ด้วยก็คือ 1. เรื่องอายุ 2. ความเจ็บไข้ 3. เวลาที่จะตาย 4. สถานที่ที่จะตาย5คติที่จะไป อันนี้เราก็หมดไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือไม่ประมาทแล้วก็ราก็ทํา8ประการคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสรเสรอมีอนิทาอันนี้เราทุกคนเนี่ยจะต้องประสบถ้าเกิดเราวางใจไม่เป็นนะเราก็ต้องทุกข์ไอ้ที่นีหมายถึงการคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตคิดถึงความเจ็บปวดบางทีคิดถึงคนรักที่ทิ้งไป พอดีแฟน ม, มีแฟนใหม่หรือคิดถึงความสูญเสีย ต, ต่างๆคิดถึงความผิดหวังต่างๆเนี่ยคิดขึ้นมาทีก็อินกับอารมณ์ทันทีนึ่งแล้ก็เจ็บปวดคือเราเข้าไปไปในอารมณ์ของความที่ปรุงแต่งคือเป็นผู้เป็นสังเกตไหมวเวลาเราดูโทรทัศน์ดูละครเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะไปโกรธพวกผู้ร้ายหรือตัวฉาทันทีเลยคือใจเราโดยธรรมชาติแจะลําเอียงจะช่วยเหลือนางเอกหรือช่วยเหลือพระเอก หรือดูฟุตบอลดูกีฬาต่างๆเนี่ยถ้าเราเชียร์ทีมไหนนะเราก็อยากให้ทีมนั้นชนะถ้าเราเล่นพนันด้วยทีมของเราเนี่ยไปขี้โกงไงเราก็เห็นชอบด้วยนะเพราะว่าทําให้เราได้ผลประโยชน์ทีมหนึ่งเนี่ยยังไงขอให้มันแพ้โกงอ้างก็ไม่เป็นไรอะเล่นตุกติกทุกชนิดแหล ะ, ะเพราะโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกจิตเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นแล้วก็ลําเอียงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคนเราเนี่ยต่อให้ ช่วยเหลือคนอื่นหรือทําดีแค่ไหนนะสักสิบครั้งแต่เขาจะจำตอนที่เราเไม่ช่วยเหลือเขาหนึ่งครั้งเองโอ้ยมเชื่อไหมลูกเราเนี่ยตอนเราดีกับลูกร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเนี่ยลูกก็จะไม่ค่อยจํำหรอกลูกจะไปจําตันที่เราขัดใจสามีคนรักก็เหมือนกันจะไปจำเอาวันที่เราเนี่ยขัดใจทะเลาะกันไอ้วันที่เราดีซื้อของให้พาไปเที่ยวเนี่ยเขาไม่ค่อยจำหรอกเพราะาคิดว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำํำย่าธรรมาเนี่ยเคยคุยธรรมากับอาจารย์กัมพลนะ อาจารย์พลทอมุ้นนุ่มเนี่ยพวกโยมคงรู้จั ก, จกท่าน เ, นเป็นคนพิการเมื่อก่อนท่านเป็นครูพระละที่อ่างทองแล้วประสบอุบัติเหตุคือสาทิลูกศิษย์โดดลงน้ำมาแหละและวพาดกระดูกค อ, อ, อที่ห้าเนี่ยทําให้เป็นอัมาพาตทั้งร่างกายเลยคือเดินก็นไม่ได้ตัวหลังรักษาหายแล้วก็ต้อ ง, องนั่งรถเข็นนอ น, นเป็นส่วนใหญ่ของอาจารย์พ์ตอนนั้นนะกำลังจะแต่งงานอายุยี่สิาลังจะบวช การงานก็อนาคตกาลังลุ่นโลดพอ ร, รับราชการเป็นครูภรรยชีวิตเปลี่ยนเลยต้องออกจากงานแต่งงานก็อดแต่งงาน บ, บวชก็อดบวชต้องมาเป็นภาระให้พ่อแม่เลี้ยงดูอาจารย์พลทุกมากตอนนั้นถูกความทุกข์บิดคัน้นอยากจฆ่าตัวตายด้วยซ้ำจนพ่อแม่เนี่ยหาหนังสือธรรมะหาเทปให้มาฟังให้อ่านอ่านตั้งสิปีก็ยังไม่พ้นทุกจนอาจารย์พลเนี่ยมาเจอทางสว่าง คือไปเจอหลวงพ่อเขียนคือเขียนจดหมายมาแล้วหลวงพ่อเขียนตอบกลับไปแล้วถ้าไปฝึกอะจิตินแนวเคลื่อนไหวหลวงวิเทียเนี่ยเดือนหนึ่งทำให้ท่านเนี่ยสามารถออกจากความทุกข์ได้เลยจนมีฉายาว่าจิตสดใสแม้กายพิการคิดว่าพวกโยมคงเคยรู้จักนะอาจารย์พลออกโททัศน์บ่อยออกโทรทัศน์ออกหนังสือออกซีดีออกสื่อแต่ตอนนี้อาจารย์พลได้ตายไปแล้วตายไปเมื่อปีที่แล้ว ท่านบอกว่าธรรมะทนใช้เนี่ยช่วงท่านป่วยหนักนะก่อนที่จะตายเนี่ยท่านใช้ธรรมะสามยอมสามยอมมีอะไรบ้างมีหนึ่งยอมรับฟวามเป็นจริงสองยอมให้ท่านเป็นไปสยอมปล่อยวางหรือยอมตายอย่างถ้าพวกยมเนี่ยยอมรับฟวามเป็นจริงเนี่ยอาตมาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะไม่ถูกใครเพราะคนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตาย เป็นของธรรมดาไม่มีใครดีโพ์หรอกแต่เราไม่ยอมรับเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเลยเพราะจิตมันจะเกาะติดห่วงหาอะไรอวรนคนที่จากเราไปหรือตัวเราเองอะ่ะเราก็ต้องตายในไม่ช้ายังสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเรื่องเล่าพิสุนีที่เป็นอาหารอยู่ท่านหนึ่งก็คือนางกีสาโครมีเนี่ยสมัยที่ยังไม่ได้บวชนะนางเป็นคนสวยเป็นลูกสะ้ายเศรษฐี แล้วนางก็มีลูกชายที่น่ารักแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยลูกชายของนางเนี่ยก็ตายอย่างฉับพลันนางกีสาโครมีเนี่ยเศร้าโศกมากเลยร้องไห้ต้องนานแล้วก็ไม่ยอมรับตัวยนะว่าลูกตัวเองตายพยายามจะหลอกตัวเองว่าลูกตัวเองแค่สลบเท่านั้นอุ้มลูกไปเจอใครก็ขอความช่วยเหลือขอยาขอช่วยรักษาแต่ก็ไม่มีใครช่วยได้บางคนก็บอกลูกลูกเธอตายแล้ว นางกีสาคนรมีก็ไม่ยอมรับนะบอกว่าจะไม่ตายแค่สลบเท่านั้นเองจนเจอชายคนหนึ่งก็บอกให้ไปหาพู้ดุจเจ้าบอกว่าผู้ดุจเจ้าเนี่ยมียารักษานางก็พาลูกเนี่แหละที่ตายเนี่ยไปหาผู้พุจเจ้าพู้ดุธเจ้าก็ไม่ได้ไปเศษนะบอกพระองค์เนี่ย ม, ม, มีทางรักษาแต่ก็มีมีเงื่อนไขให้เธอเนี่ยไปขอเมล็ดทันธกาดเพื่อจะเอามาปุ่มเป็นยาจะได้รักษาให้ลูกชายฟื้นได้ แต่ว่าต้องไปขอบ้านที่ไม่มีคนตายนะเธอก็ดีใจก็ไปเที่ยวเดินขอบ้านนู่นบ้านนี้แต่เธอก็เล่าผิดหวังนะเพราะทั้งหมู่บ้านเนี่ยทุกบ้านมีคนตายหมดเลยไม่พ่อตายแม่ตายปู่ตายย่าตายน้องตายญาติตายไม่ได้ทักบ้านหนึ่งจนในที่สุดเธอก็พานฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะทุกคนก็ตายหมดมันความาาตายเป็นเรื่องธรรมดาลูกเราก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาพอได้สติแล้วนะเธอก็เอาลูกไปฝัง แล้วก็เข้าไปฟังพุทธเจ้าฟังธรรมะจนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุด mm. ก็เพราะปล่อยวางนั่นเองจต่ตอนแรกเนี่ยที่ทุกเพราะว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงธรรมะข้อนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องนะาการยอมรับความเป็นจริงเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยเราก็ทุกข์แล้วเพราะเราจะเปรียบเทียบคนอื่นที่รวยกับเราที่หล่อที่สวยกับเรา ที่มีบารมีมากกว่าเรามีสาวไต้หวันอยู่คนหนึ่งเธอชื่อว่าหวางเมยเหลียงจบปริญญาเอกจากอเมริกานะหลังจากจบมาเนี่ยเธอก็อยู่ไต้หวันแล้วก็มีคนเชื้อเชิญเธอไปเนี่ยไปแสดงทันคติความสุขต่างๆแต่เธอเป็นคนที่สมองพิการไม่สามารถพูดได้เวลาไปแสดงที่ไหนก็ต้องอาศัยกระดานดำแล้วก็เอาชอคมาเขียนให้ ร่วมประชุมเนี่ยได้ชมเธอไปแสดงที่ใดก็มีคนติดตามประชมกันมากมายเหมือนกันมีอยู่คาณหนึ่งหลังจากแสดงธัศนคติความสุขเสร็จนะก็มีเด็กคนหนึ่ง่ถามขึ้นมาการห้องประชุมเลยว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่เกิดมาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดคุณไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างหรือและคุณมองดูตัวเองอย่างไรคาถามเนี่ยสร้างความตะลืงให้กับห้องประชุมทั้งห้องเลยนะ เพราะว่าคนคิดว่าจะไปทิ้มทางจิตใจของเธอหวางไม่เหลืยงเธอก็หันหน้าไปที่กระดานดําหยิบช็อคขึ้นมาแล้วก็หันหน้ายิ้มให้กับผู้ผู้ชมแล้วเธอก็เขียนว่าฉันมองดูตัวเองอย่างไรข้อที่หนึ่งฉันเป็นคนน่ารักมากข้อที่สองขาฉันเรียวยาวสวยดีข้อที่สพ่อแม่รักฉันมากข้อที่สี่ พระเจ้าประทานความรักแก่ฉันข้อที่ห้าฉันวาดภาพได้และแต่งหนังสือได้ข้อที่หฉันมีแมวน่ารักแล้วเธอก็ค่อยเขียนว่าฉันมองดูตัวเองอย่างไรฉันมองแต่สิ่งที่ตัวเองมีไม่มองสิ่งที่ตัวเองขาดหลังจากที่เขียนจบนะห้องประชุมก็ตบมือกันลั่นไปหมดเลยเพราะว่า ควาคิดของเธอเนี่ยทําให้หลายคนเนี่ยที่มีความทุกข์ใจอยู่เนี่ยหายทุกข์ไปปิดทิ้งเลยเพราะเธอไม่เปรียบเทียบกับใครอะ่ะเธอเป็นคนพิการแล้วก็ดิ้นลดจะเรียนจบปริญญาเอกคนพิการที่มีความสุขก็เยอะแยะนะบางทีจะเจ็บปวดยิ่งกว่าคนที่สูญเสียญาติพี่น้องซะอีกเพราะนั้นนอกตัวไงแต่ในตัวเนี่ยบางทีพิการทางกายแขนขาพิการหรือเดินเหินไม่ได้เนี่ยชีวิตตกแล้วกับลำบากตลอดชาติเลย ถ้าเป็นคนที่คิดทางลบด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ตอกย้ําฝ่าพิการตัวเองย้ําคิดย้ําทําเนี่ยฝวามสุขก็ไม่มีเพราะธรรมดาความสุขก็ไม่มีอยู่แล้วไม่มีหนักเข้าไปอีกทั้งการมองในแง่บวกจึงช่วยได้อันนี้พอมองบวกปุ๊บมันก็เกิดกําลังใจอย่างพวกโยมก็ต้องมองทางบวกแต่ก่อนที่จะมองทางบวกได้เราก็ต้องมีสติแล้วถ้าไม่มีสติจะ ม, มองไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องฝึกเหมือนกัน เพราะจิตคนเราเนี่ยมันมองทางลบไปก่อนคิดทางลบปรุงแต่งในทางไร้ไร้ไปก่อนเรื่องดีๆไม่ค่อยคิดหรอกคนเราเนี่ยจะคิดทางอากุศลมากกวาอากุศลแล้วมาธรรมะขอจารยพลข้อที่สองนะ ย, ยอมให้มันเป็นไปเนี่ยนี่ก็สมมุติว่าเราเนี่ยใครได้ป่วยมานะให้หมอรักษาอย่าเป็นมะเร็งเนี่ยหมอรักษาแล้วหมอบอกรักษาไม่ได้เดี๋ยวอีกสเดือนคูจะตายอีกสองเดือนคุณจะตายอ่เงี้ยก็ต้องยอมอะปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติเนี่ยรักษาแล้ว เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยสมมติของเราหายมือถือโดนขโมยไปตังโดนลักไปแต่เราก็ทำหน้าที่นะเราติดตามบางทีต้องแจ้งความเพื่อไม่ร่วมมือกับโจรแต่ของเราจะได้คืนไม่ได้คืนเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับฝ่า เ, เป็นของธรรมชาติเนี่ยมันก็ขัดแย้งสร้างปัญหาได้มาทำมาขอจควบนข้อที่สาเนี่ยยอมปล่อยวางเนี่ยอันนี้สาคัญมากเลยเพราะโดยที่สายคนเราเนี่ยที่มีปัญหาตีกันฆ่ากัน หือไม่ยอมกันเพราะไม่ยอมปล่อยวางพอปล่อยวางทุกอย่างเนี่ยจบหมดเลยมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งถ้าอยู่อยู่จังหวัดอุดอรเนี่ยในชีวิตท่านเนี่ยถ้ามีความสุขไม่มีความทุกข์เลยคนขนานนามใท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปเดินบิทบาทนะแล้วเด็กทะเลาะ ก, กันฟางก้อนหินไปโดนหน้าผากท่านจนหน้าผากแตกเลือดไหลอ่ะพวกญาติโยมเห็นเข้าเข้ามาทําแผลให้แล้วก็ด่าเด็กก็แหละหลวงพ่อท่านก็บอกว่าก็ดีเนาะ ที่ตาไม่บอดคือท่านมองโลกในแงด่ดีมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์มาที่มนท่านไปฉันเพลและแสดงธรรมเผอิญวันนั้นรถเสียลูกศิษย์ต้องจอดซ่อมรถอยู่หลวงพ่อรอตั้งนานรถไม่มาทีท่านก็ลำพึงลำพันว่าฉันข้าวของเราเองก็ดีเนาะท่านก็หยิบข้าวที่บิบิบา้นมาฉันพอฉันไม่ได้ไม่กี่คาลูกศิษย์หลังจากซ่อมรถแล้วก็มาถึง ล้วต้องรีบไปเพราะว่าบ้านงานอยู่ไกลหลวงพ่อกขาก็พูดว่าก็ดีเนาะไปฉันบ้านงานก็ได้อันที่ฉันได้สองคำคำนึงนะแล้วเราไปพอรถวิ่งไปได้ละพักหนึ่งเนี่ยรถก็เสียอีกคนขับก็ลงไปซ่อมหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะได้ชมอยู่ข้างทางคนขับซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่รถก็ไม่ติดคนขับเมื่อวานหลวงพ่อให้ไปช่วยเข็นหลวงพ่อตอนนั้นแกแล้วแหละ หลวงพ่อก็ช่วยเขาเข็นรถอะแหละท่านก็พูดคุยมาว่าก็ดีเนาะได้ออกกํำลังกายเข็นไม่เข็นมาจนรถติดไปถึงบ้านงานก็เลยเพน่ะหลวงพ่อก็เลยอดฉันไปถึงเจ้าภาพนีน่บนขึ้นธรร ม, มาเทศเลยหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทําหน้าที่เลยหลังจากหลวงพ่อกําลังแซงทำอยู่นะลูกศิษย์ก็รีบไปชงกาแฟมามาถวายด้วยความรีบร้อยมาหยิบเกลือใส่แท่นน้ำตาลหลวงพ่อ ฉันไม่ได้คํานึงก็วางแก้วไว้ก็บอกก็ดีเนาะเห็นกาแฟที่หลวงพ่อฉันเหลือน่ยก็อยากฉันบ้างเพราะว่าหลวงพ่อเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังการทานของครูบาอาจารย์ถือเป็นมงคลไงเลยมาขอทานหลวงพ่อก็ให้ลูกศิษย์ทานมาได้คำหนึ่งก็พ่นพูดอะไไปเลยบอกเค็มปิป๊ปีหลวงพ่อฉันไม่ได้ไงเนี่ยหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มก็บอกก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมามากแล้ว ท่านมองอะไรดีหมดแต่เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านมากก็คือบิวครั้งหนึ่งเนี่ยโจรเหมาปล้นท่านเพราะโจรรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังและเป็นเจ้าหุนด้วยคงมีลาสักกระมากโจรมันก็สืบแล้วสืบอีกแหละมาถึงก็คมขู่เลยหลวงพ่อมีของเทไรเอามาให้หมดหลวงพ่อแทนที่จะตกใจกลัวโจรท่านกลับยิ้มยิ้มแล้วบอกกับปล้นก็ดีเนาะ โจวมันก็ถามป้ปนแล้วดีเนาะอยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าฆ่าด่าเบื่อเฝ้าสมบัติรถบ้านี้เต็มทีแล้วเอ็งเอาไปก็ดีฆ่าจะได้ไม่ต้องเฝ้าโจวมันก็ข่มคู่อีกบอกว่ามันไม่ได้แค่จะมาป้นเท่านั้นมันต้องฆ่าด้วยปิดปากเดี๋ยวหลวงพ่อบอกตำรวจหลวงพ่อก็บอกว่าฆ่าก็ดีเนาะโจวน์มันก็ถามอีกว่าฆ่าดียังไงหลวงพ่อก็บอกว่าตัวท่านน่ยแก่มากแล้ว เบื่อต้องมาดูแลร่างกายสังขารที่เสื่อมโทรมลงทุกวันทุกวั น, วนเองฆ่าฆ่าก็ดีเนาะโจรมันก็รู้สึกสงสารมันก็เลยบอกว่าถ้างั้นไม่ฆ่าก็ได้หลวงพ่อก็บอกอยู่ว่าไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรมันสงสัยไม่ฆ่าดีเนาะยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเองก็ต้องโดนตารวจตามจับติดคุกเผื่โดนตํารวจฆ่าตายด้วย ตายไปก็ต้องตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเองไม่ได้เองไม่ฆ่าฆ่าเนี่ยจึงดีเนาะโจรมันคิดได้มันก็เลยไม่ปล้นไม่ฆ่าวันนั้นกลับไปตัวเปล่าแหละตอนหลังถูกตำ ร, รวจจับแล้วกลับมาบวชกับหลวงพ่ออีกนี่แต่ถ้าเป็นพวกเราโดนโจรปล้นเนาะคงเผือสู้ถูกโจรฆ่าตายก็ได้คือหลวงพ่อท่านมีสติบอกโลกในแงด่ดีเจอเจอปัญหาอะไรขึ้นก็ตั้งสติไว้เหตุการณ์มันก็ผ่านไม่ได้ ก็ล ด, ดีนอทุกเรื่องหลวงพ่อดีนอเนี่ยมีตัวตนจริงท่านมีมีฉายาที่ในหลวงตั้งให้คือพระเทพวิสุทธิธาจาราธุวัตานธรรมวาทีเป็นเจ้าวาดวัดมชิมาวาดอยู่จังหวัดอุดอร น, น่แหละท่านเกิดเมื่อพศสอ 2, 4, 1 5มรณภาพไปเมื่อ2513อายุก็98ปี คือเกิดยุคเดียวหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุดรเคยคือมีนายหลวงเนี่ยเคยไปไปเยี่ยมที่วัดไงแล้วหลวงพ่อดีเนาะผู้ผู้ที่ท่าไหนก็ไม่รู้ว่าบอกดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงในหลวงเลยตั้งให้เป็นหลวงพ่อดีเนาะเลยตั้งให้ดีเนาะหลวงพ่อดีเนาะเนี่ยโยมฟังธรรมาเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ตัวธรรมาเขใช้อยู่นะรอรถนานก็ดีเนาะเจอคนขัดใจก็ดีเนาะ เจอคนดา่าก็ดีเนาะมันลดความแรงมันไปได้เลยพราเรื่องขัดใจเรามากมายแล้วเกินไอ้คนที่ถูกใจเราไม่ค่อยมีหรอกเดี๋ยวอินฟ้าอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวยุงเดี๋ยวมแมลงเดี๋ยวโคนขัดใจถึงคนอื่นไม่ขัดใจร่างกายเราเองก็ขัดใจแหละปวดเมื่อยหิวกระหายต้องดูแลบํารุงร่างกายเรานี้ไม่ได้เป็นแรงใจเรานะเราควบคุมร่างกายไม่ได้นะอย่าคิดว่าเราเป็นนายของร่างกาย ถ้าเราควบคุมได้เราก็ไม่แก่หรอกไม่แก่ไม่เจ็บเดี๋ยวถึงเวลามันก็หิวแล้วเรียกร้องหาอาหารเดี๋ยวมันอยากเที่ยวก็เราพาไปเที่ยวแล้วมันอยากก็ต้องทาตามมันแหละแต่ถ้าเรามีปัญญามีสติเนี่ยเราก็ทําตามมันก็ได้ไม่ทําตามมันก็ได้ถ้าเราไม่มีสติเราก็มันสั่งอะไรทําหมดแหละเราก็ตกไปท่าของมันแหละสั่งให้ไปหาของกินที่สมมติอยู่สักัตโตเนี่ยอยากขึ้นมาก็เอา้าลงไปแกล้งคอสิลงไปเชเฮภูมิสิ ลงไปร้านอาหารอร่อยๆเพื่อสนองความอยากหรือไม่ก็มันหลอกก็ไปหาชื่อเสียงก็มีหาชื่อเสียงหาเกยยียรติยศห า, า, าราศกกลาต่างๆเนี่ยความคิดเป็นหลอกได้หมดแหละให้คนดิ้นรนบางคนตกเป็นท่ายันตายก็จะออกจากความคิดนี้ไม่ได้เลยเรื่องราศักกลาลูา ก, าลกธรรมแปต่างๆเนี่ยมันครอบงามและย่ํายีจิตใจคนเราถ้าเราเข้าใจธรรมาเนี่ยเราก็ไม่ตกเป็นท่าของมันเราต้องมาเรียนรู้ไงก็ต้องมาคบเพื่อน อย่างเมื่อกี้เราก็ได้ฟังบทสวดมนต์กระยาหมิตรเพราะกระยาหมิตรเนี่ยเป็นทุกสื่อทุอย่างเลยนะนําให้เราเนี่ยเกิดสมาธิธเกิดปัญญาได้แต่เราไปคบคนพาลเนี่ยคนพาลก็นํามาเราไปหาผิดนําให้เราไปสู่คุกตารางได้เผอโดนะำรวจยิงตายด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยคนพาลทำให้เราซวยด้วยบางทีเา้าขายาบ้ากันเราไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนค้ายาบ้าเนี่ยไ ป, ไ, ปไปร่วมกลุ่มเนี่ย อาจจะโดนตบรวจจับก็ได้หรือเขาเล่นไพ่เล่นการพนันกันอยู่เราเข้าไปคุกคีเราอจจะโดนลูกหลงด้วยก็ได้แต่ถ้าเรามาวัดมาฟังธรรมเนี่ยสิ่งเราได้แน่นอนคือสร้างบุญสร้างบารมีหลายอย่างเลยแหละบุญตามมาเพียบมาอยู่ในสารที่สงบประตูวัดเปิดแต่โยมเข้าน้อยนะอาจมาเคยไปกับอาจารย์ปสศาลเนี่ยไปที่ภูเก็ตเนี่ยรู้สึกว่าคุกน่เล็กกว่าัดเราเยอะเลยคนอยู่ต้องสาพันนะ ยมเชื่อไ่มแออัดนั ก, นกโทษเนี่ยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีทั้งชาวต่างชาติเยอะแยะหมดแล้วคุกเขายากนะคุกไม่ได้เข้าง่ายๆนะขณะอาจารย์ไป็นารเขานิมนต์ให้ไปแซงทำเนี่ยยังโดนยึดมือถือเลยอาตมาด้วยก็ไม่เอามือถือเข้าต้องตรวจสอบก่อนไม่ใช่เข้าง่ายๆอย่างอย่างวัดเนี่ยประตูวัดเปิดรับตลอดมาก็ง่ายไม่มีการตรวจสอบอะไรมีที่พักมีอาหารให้ อยู่แบบสบา ย, บายแต่คนมาน้อยการมีแกรมมิชที่ดีเนี่ยสามารถทถมให้เราเนี่ยทำความดีได้มากยิ่งขึ้นถ้าเราครบคนไม่ดีก็ทำให้เราแย่ลงยิ่งขึ้นเหมือนกันเพราะการเยียวยาใจอย า, จากจะเปนสารก็บอกอนุมาให้ผู้กระโยมเนี่ยให้โยมอยากเข้าไปเป็นนะความคิดทันยามไว้เข้าไปเป็นหมายถึงว่าเข้าไปเป็นในสิ่งต่างๆ แบบว่ายึดถ้ายไปแล้วยึดไงจะไปสาลเนี่ยถ้ายอมรับพาเป็นจริงถ้ายอมรับปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์หมดเลยยอมรับว่าเราเป็นคนอย่างนี้นะยอมรับฐานะเรายอมรับหน้าตาเราเราก็มีความสุขละอย่างบางคนไม่ยอมรับอ่ะคือผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยก็พยายามจะตกแต่งหน้าเดี๋ยวนี้มือถือ ที่ออกใบใหม่นะคลุกกาตลาดเนี่ยเขาก็ออกแบบให้มีกล้องเซลฟี่เนี่ยที่มีพิกเซลุงสูงอย่างกล้องหน้าเนี่ย20ล้านเลยบางทีกล้องหลังเอาล้านก็พอเพราะว่าคนชอบถ่ายหน้าตัวเองลงเ c e บุ o k หรือหรือแชร์ไปที่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์บางทีก็หลอกลวงนะบางทีผมงอกก็ทำไม่ให้งอกตีนกาก็ลบสมหมดกลายเป็นสาวขึ้นมา มีหลายคนเนี่ยไปเสษฟ้าเป็นจริงไงมีบางคนเนี่ยนักล้องอย่างสุรชัยสมบัติเจริญเนี่ยอายุหกสิบแล้วตอนนั้นก็ไปทำหน้าใหม่ให้เป็นหนุ่มขึ้นการทำหน้าใหม่มันก็ดูดีนะแต่ว่าร่างกายที่มันเสื่อมโซไปตามกาลเวลาเนี่ยมันทำไม่ได้นะอย่างคนป่วยไปโรครู้โรคนี้หรือร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็อ่อนแอเปนเดิมแหละ เพรเปลี่ยนได้เฉพาะหน้าตาเองแต่ว่าเครื่องนายเปลี่ยนไม่ได้ต้องไปไปตามกฎของธรรมชาติอย่างถ้าเรายอมรับความแก่ผมหงอกก็คือหงอกป่วยก็คือป่วยถึงเวลาตายเราก็ไปรักเราก็ยอมรับความตายด้วยใจที่ปล่อยวางแต่ถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมตายเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเกิดความตายมาจริงเนี่ยมันไม่มีเครื่องไหมายบอกนะอย่างเรานั่งรถไปเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุ รถอาจจะความเฉี่ยวชนก็ได้ตายในทุกวันแหละที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ไปไอ้ขี้หลอกก็จะาตายคนที่ซวยถึงข่าวเนี่ยเดินไปเอาไปเหยียบ ง, งูงูกัดตายก็มีเพราะอย่างวัดเรา ง, งูพิษก็เยอะแต่ถ้าไม่ซวยไม่เจอปลาหลอกหรือเจอมันก็ไม่กัดแต่คนซวยที่มันกัดหรืออาจจะต้นไม้หล่นใส่ก็ได้อะไรเกิดขึ้นได้หมดก็อย่างที่สารวัตรพูดไว้อะว่าสื่อก็หมดไม่ได้มี5้าอย่างมีอายุความเจ็บไข้ เวลาที่จะตายสถานที่จะตายคติที่จะไปเนี่ยอันนี้ก็หลุดไม่ได้เลยอยู่นื้นอกเหนือความควบคุมของเราสิ่งีเราทําได้ก็คือทําความดีไม่ประมาทอาจารย์ประสานเองท่านก็บอกบอกว่ามีมีเคล็ดลับอยู่ให้เราเนี่ยทำความดีอยู่เสมอแล้วก็เจริญมตตาทิติยภิษณุความตายอยู่เป็นประจําแล้วก็หัดใช้ชีวิตปล่อยวางในประจําวันเนี่ยเพราะว่าประจําวันของเราเนี่ย จเจอปัญหาเยอะถ้าเราไม่หัดปล่อยวางนะตอนตายมันปล่อยวางไม่ได้นะเออะขึ้นมาตายตายเลยเง่เขาจะวัดกันตอนตายนี่แหละถ้าใครปล่อยวางได้ก็ไปพบภูมิดีถ้าปล่อยวางไม่เป็นนะก็ไปทุกวันติคนที่ยึดตั้งมากปล่อยวางไม่ได้นะไ อ, นนไอ้นี่ก็ของกูอันนี้ของกูไอ้นี่ก็เมียกูลูกกูผัวกูเง่สมบัติกูแง่พอพอยึดทุกอย่างแหะอ้นี่ก็บ้านกูทิ้งอะไรไม่ได้ลัก อ, อย่างแต่คนที่คนที่ทิ้งได้เนี่ย จะไปดีกว่าพอตายแล้วสมบัติเป็นของคนอื่นหมดเลยญาติพี่น้องผัวเมียจบกันแค่เรามีลมหายใจอยู่พอสิ้นลมหายใจก็ทางคันทางมันแล้วถือว่าหมดบุญต่อกันถ้าโยกคิดแบบที่เรามาพูดเนี่ยการเยียวยาใจก็จะก็จะเริ่มเกิดขึ้นการมองโลกในแง่ดีแบบหลวงพ่อดีเนาะ การยอมรับความเป็นจริงเหมือนนางกีสาโครมีที่ยอมปล่อยวางที่ลูกตัวเองตายเนี่ยชีวิตของพวกโยมกลับบ้านไปก็เปลี่ยนจะไม่คอยทุกข์เท่าไหร่แล้วแต่สิ่งำตาลเราต้องเจริญสติด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มหัดเจริญสติกันแล้วทางวิทยากรก็จะชี้แนะอะไรต่างๆอีกมากมายพวกโยมก็เปิดใจรับการเรียนรู้ก็แล้วกันยิ่งเรียนรู้ก็ได้เกิดประโยชน์ถ้าเราปิดกั้นเราก็ไม่ได้ความรู้ อนาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอจบลงแค่นี้ก่อน